อันนี้ม า, นามาคนเดียวแหละมาคนเดียวที่ค่ะคือกลับไปอยู่วัด น, น่าสงบสบายใจเจ้าค่ะกลับไปบ้านได้คืนเดียวก็เลยมาขับมาวัดอีกคนเดียวอ่ะเจ้าค่ะามาเมาื่อวานนี้เจ้าค่ะแล้ววันอาทิตย์จะกลับมาบ่อยๆลูกๆ ก, กับคุณชายฝากทําบุญด้วยเจ้าค่ะนน<ด>วัดก็เหมือนห้องป ร, ปประกาศ <c oughs> บ้านก็เหมือนข้ง บ, บ้านก็เหมือนเวลาอยู่ข้างนอกบ้านาร้อน ความร้อนมันเกิดจากความโลภความรักความความจริงของมันเป็นมันไม่มันไม่มีรักไม่มีชังเราไปรักไปชังมันเองเลยทำให้เราร้อนคนที่ไม่มีความรักความชังเขาดูอะไรเขาก็เฉยเฉยเรามาปรับใจให้เราอย่าให้ไปรักอย่าไปชัง อย่าไปกลัวอย่าไปหลงถ้าใจเราไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแล้วก็สบายอุเบกขาอุเบกขาคือใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงอยู่ที่ไหนก็เย็นอยู่บ้านก็เย็นอยู่วัดก็เย็นอยู่ที่ไหนเย็นหมด ถ้ามีรักชังกลัวหลงแล้วอยู่ที่ไหนก็ร้อนอยู่วัดก็ร้อนได้เดี๋ยวถ้าไปเจออะไรเข้าต้องวางเอเอาต้องวางเฉยไอ้เา ว, วัดมันมีของร้อนน้อยของที่จะทำให้ร้อนน้อยกว่าที่บ้านที่บ้านมันมีของทําให้เราร้อนเยอะคือของที่เป็นของเราเนี่ยมันทําให้เราร้อนกันถ้าของไม่เป็นของเราไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ เพอเป็นของเราเนี่เรารักเราชะเรารักเราหวงเราห่วงเราวิตกกังวล<ม>แล้วใครจะมาทำให้ของที่เรารักนี้เป็นอะไรไปเราก็จะชังขึ้นมาจะโกรธจะเกลียดขึ้นมามั น, ป, นปัญหาของเราอยู่ที่ใจของเราไปสร้างความรักความชังความกลัวความหลงขึ้นมาด้วยความหลงไปหลงคิดว่าเป็นของเรา พออะไรเป็นของเราแล้วเราก็เริ่มร้อนเริ่มอะไรเป็นของเราเราก็รักเราก็ห่วงเราก็หว่วงและเวลามีอะไรมาทาให้ของที่เรารักเป็นอะไรไปเราก็ชังขึ้นมาโกรธขึ้นมาหรือกลัวขึ้นมาเอามาแก้ความหลงถึงจะแก้ได้อย่างถาวร ถ้าเราไม่หลงว่าเป็นของเราแล้วเราก็จะไม่ไม่มีความทุกข์กับอะไรที่ทุกข์เราไปเพราะว่าเราไปคิดว่าเป็นของเราพอเราเป็นของเราเราก็รักเราก็หวงเราก็ห่วงเราก็อยากให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอยากให้เขาปลอดภยัยอยากจะให้เขา ดีอ่าเมื่อเช้านี้แม่มีแม่คนหนึ่งก็มาปรับทุกว่าห่วงลูกชายลูกชายตอนนี้ท่าทางาสติจะไม่ค่อยดีเบอเบล อ, บลอเราก็ถามเขาว่าแล้วเราจะทำไงนะเราทำอะไรได้หรืเปล่า mm. เขาก็บอกเขาก็ไม่รู้จะทำอะไร เขาเป็นลูกของเขาเพราะว่าคำว่าเป็นลูกของเขาก็เลยทําให้เขาห่วงวิตกกังวลแล้วทําไมคนอื่นที่เขาเบลอทำไมเราไม่ไปห่วงเขาบ้งล่ะเขาไม่ได้เป็นลูกของเราออแต่ความจริงเขาเป็นลูกของเราจริงๆหรือเปล่าเขาเพียงแต่มาออกจากท้องเราเท่านั้นเองเราก็ไปเรียกว่าเขาเป็นลูกของเรา แล้วเราไปสั่งเขาได้หรือเปล่าไปปั้นเขาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เปล่ามันก็ปั้นเขาไม่ได้ก็เหมือนคนอื่นคนอื่นแล้วก็ไปสั่งให้เขาเป็นให้เขาทำอะไรไม่ได้ปั้นให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ลูกของเราเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ไปปั้นเขาไม่ได้เขาเป็นของเขามาอย่างนี้แหละใจของเขา เป็นอย่างนี้จึงทำให้เขาเป็นอย่างนี้ที่เป็นอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเนะพราะใจเรื่องของจิตใจคนเราดีชั่วไม่ได้ดีชั่วที่ร่างกายดีชั่วที่จิตใจจิตใจดีชั่วเพราะกรรมเพราะบุญเพราะบาปทำบุญมาก็จะดีติดมีนิสัยดีติดตัวมา ทำบาปก็จะมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาเราก็ไปสั่งให้เขาทำดีทำบุญอย่างเดียวไม่ได้สั่งได้ก็ตอนเด็กๆตอนที่เขาอยางช่วยตัวเขาเองไม่ได้ตอนนั้นว่านอนสอนง่ายน่ารักถ้าจะเลี้ยงลูกเลี้ยง ต, ต้องบอนใสเมัน อ้ามเกินหกขวบอ่พอเกินหกขวบนี่มันเริ่มเป็นตัวของมันเองแล้วมันเริ่มทําอะไรของมันเองได้แล้วนี่มันก็จะดือ้อละเพราะแม่กร็บ่นลูกดือ้อมันต้องดือ้อมันเพราะมันมีนิสัยที่เขาจะต้องทําอะไรตามความชอบของเขาเขาเคยชอบทําอะไรมาเขาก็จะทํา ส่วนใหญ่เขาก็ชอบทำในสิ่งที่จะทำให้เป็นเป็นภัยกับเขาเนะน้อยคนที่จะชอบทำบุญชอบบวชกันชอบบวชพ่อแม่ก็ไม่ชอบเลยครับดีเกินไปเองไม่ชอบแบบกลางๆไม่ดีมากไม่เลวมากจริงลูกบวชนี่พ่อแม่ควรจะดีใจนะกับเสียใจบางที ไม่ยอมให้บวช ด, ดีใจเจ้าค่ะอยากไปบวชที่ถ้าพ่อแม่ไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของการบวชเขาก็ไม่ดีใจเขากลับคิดว่าไปติดคุกติดตารางไปเป็นขอทานไปพึ่งตัวเองไม่ได้เรียกว่า สู้สู้สู้โลกไม่ได้สู้กับชีวิตไม่ได้ต้องไปไปบวชแต่ความจริงการบวชเนี่ยเป็นการประพฤติ ท, ที่ดีที่สุดเพราะาไม่ได้ไปสร้างความเสียหายให้กับตัวเขาเองหรือกับผู้อื่นการบวชนี่ไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลย ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครเสียหายตัวเขาก็ไม่เสียหายผู้อื่นก็ไม่เสียหายมีแต่เกิดประโยชน์กับตัวเขาและเกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างอตอนต้นท่านก็ไปไปเกิดไปบวชแล้วก็ได้ประโยชน์กับตัวท่านเองท่านบวชหกปี ต่อสู้กับกิเลสตัณหาจนพบกับชายชนะพอชนะแล้วพระองค์ก็สบายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องเมียไม่ต้องกลับมาเมวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เอาความรู้ที่ทรงได้ค้นพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้พวกเราพวกเรา ที่ฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติได้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่จีรังถาวรไม่ต้องร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอีกต่อไปไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลเวลาที่เรามีลูกหรือคนมีลูกเนี่ย เขาไปรู้ว่าลูกนี้มีเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนร่างกายเนี่ยเป็นของของแม่ของพ่อแต่ส่วนจิตใจเนี่ยเป็นของตัวลูกเองลูกไม่มีร่างกายลูกเลยต้องมาหาร่างกายที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาพ่อแม่ก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นลูก คิดว่ า, าสามารถที่จะสอนที่จะสั่งเ ข, เขาทำอะไรต่างๆตามที่พ่อแม่ต้องการให้ทำได้ ก, ก็เพราะว่าตอนเด็กๆสั่งได้สอนได้เขาตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะพึ่งตัวเขาเองได้ เขาก็ทำตามที่เราสั่งเราสอนสอนให้กินอะไรก็กินสอนให้พูดภาษาอะไรก็พูดตามภาษาที่เราสอนว่านอนสอนง่ายแต่เขามีนิ ส, สัยของเขาเองมาพอเราพอเขาโตขึ้นเราไปสอนอะไรที่ไม่ตรงกับนิ ส, สัยของเขาเขาก็ไม่ทำตามเช่นถ้าเขาเป็นนิ ส, สยัยโกหกมาพูดโกหก เราสอนเขาอย่ากโกหกเขาก็เขาก็ทําตามไม่ได้อถ้าเขาชอบรักขโมยเราก็ไปสอนให้เขาไม่ลักขโมยไม่ได้เขาอาจจะท้ายให้เราจับได้ถ้าเขมีนิ ส, สัยอะไรติดตัวเขามาเขาก็จะทําอย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้เอานิ ส, สัยจากเรา จากพ่อจากแม่นิสัยนี้เป็นของเขารวมๆเหมือนกับเราเราก็มีนิสัยของเราล้วนๆเวลาร่างกายของเราตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เราก็ไปเกิดใหม่ได้พ่อแม่คนใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ตอนเกิดมาใหม่ๆก็ทําตามพ่อแม่ทุกอย่าง เพราะไม่มีกำลังที่จะต่อต้านต่อสู้แต่พอเริ่มโตขึ้นมีความสามารถที่จะต่อต้านได้ต่อสู้ได้หรือหนีได้ถ้าไม่อยากถ้าไม่ชอบไม่อยากจะอยู่ด้วยก็หนีไปอยู่เองก็เลย เราก็เลยพ่อแม่ก็เลยเสียใจบางทีลูกไม่ทำตามที่พ่อแม่สอนพ่อแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าใจของเขาเป็นมาอย่างนี้ใจเขาเบลอเขาเบลอลูกบางคนเกิดมาก็ไม่ สติสตังไม่สมประกอบพิการทางจิตใจแา่ารเราพูดว่าพิการทางสมองความยิงสมองเป็นปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือจิตใจเคยเป็นคนบ้าในอดีตเนี่ยพอมาเกิดก็เป็นคนบ้าต่ออันนี้เป็นเรื่องของจิตใจ ที่ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ได้เป็นลูกของเราจริงๆเขาเป็นเพียงแต่ผู้มาอาศัยร่างกายที่เราสร้างขึ้นมาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วเราก็เลยไปเรียกเขาว่าเป็นลูกเราเป็นของเราถ้าเขามาหาเราด้วย ด้วยวิธีอื่นคือมีร่างกายมาหาเราอย่างเงี้แล้วมาขอเป็นลูกนี่เราจะรับเข้าเป็นลูกไหมจะมาสมัครเป็นลูกเงี้ยเด็กขอทานมาเขาตัอขอผมเป็นลูกท่านหนย <c oughs> เราไม่เอาใช่ไหมแต่ถ้าเข้า <c oughs> ขมาในท้องเรานี่เราเอาเนี่ยเราหลงคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเราทาเนี่ยหลงเนี่ย เรีกว่าหลงไม่มีไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายของเราเองก็ไม่ได้เป็นของเราร่างกายของลูกเราก็ไม่ได้เป็นของเรา <c oughs> เป็นของเราชั่วคราวเป็นของดินน้ำลมไฟร่างกายของพวกเราร่างกายของลูกเรานี่ทำมาจากดินน้ำลมไฟเนี่ยน้ำที่ดื่มก็ไปเลย ถ้าไม่มีน้ำร่างกายนี้จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไม้มข้าวที่เรากินเข้าไปผักที่เรากินเข้าไปก็ดินนะมันมาจากดินนะเนื้อสัตว์เนื้อปลามันก็มาจากมันก็จากมันก็ไปกินผักอีกทอดหนึ่งจากผักก็มาเป็นเนื้อถ้ากินเข้าไปมันก็มากลายเป็นเนื้อของเรา มันต้องต้องกินกินข้าวกินผักถึงจะมีเนื้อแล้วพอเรากินเนื้อมันก็มาเป็นเนื้อต่อมันมามาจากดินน้ําลมไฟใช่ไหมนะร่างกายจึงมีสองสองส่วนร่างกายนี้มาจากดินน้ําลมไฟแต่จิตใจนี้มาจากจิตใจรูปร่างใหม่หน้าตาใหม่ แล้วเดี๋ยวก็ตายไปก็กลับไปสู่นินน้ำลมไส่จิตใจก็เป็นเปลี่ยนเป็นดวงวิญญาณไปเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณต้องลอยไปอยู่สวรรค์บ้างอยู่อบายบ้างจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่ก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ ะให้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปหลงคิดว่าเป็นของเราร่างกายเป็นของดินน้ำลมไฟจิตใจก็เป็นของของเขาของใครของมันจิตใจของเขาก็เป็นของเขาจิตใจของเราก็เป็นของเราเราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจได้ก็เปลี่ยนของเราก่อนอย่างพระพุทธเจ้านี่เปลี่ยนจิตใจของพระพุทธเจ้าก่อน เปลี่ยนจากจิตใจที่มีความรักความชังความกลัวความหลงมาเป็นจิตใจที่ไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงแล้วทีนี้ท่านก็ไปสอนคนอื่นไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่สอนเขาได้บอกเขาได้ว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนจิตใจให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้อันนี้จิตใจเรามีความรักความชังความกลัวความหลง มีความทุกข์มีความวุ่นวายกันถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราสงบสบายไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็ให้ทําตามที่เราได้ทํามาที่พระพุทธเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาเช่นสละทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองแล้วก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลไปฝึกนั่งสมาธิ แล้วก็ไปสอนใจให้ปล่อยวางทุกอย่างว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างมามาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าไปหลงไปรักไปหลงไปคิดว่าเป็นของเราก็จะเกิดความรักความกลัวขึ้นมารักก็อยากจะให้ของของเราอยู่กับเรา แต่ก็กลัวว่ามันจะไม่อยู่แล้วใครมาทำร้ายเราเราก็จะเกิดความชังขึ้นมาเมาจากความหลงที่ไปคิดว่าเป็นของเรากันของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราไม่ค่อยมีความทุกข์ด้วยใช่ไหมของคนอื่นนี่เราทุกข์ไหมลูกของคนอื่นเราทุกข์ไหมบ้านของคนอื่นสมบัติของคนอื่นเราทุกข์กว่า แต่ถ้าเป็นของเราเราทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกข์เพเรายึดติดพอเลยเป็นของเราเนี่ยมันจะมีความอยากจะให้เป็นของเราไปตลอดแม้แต่ร่างกายนี้ก็อยากจะให้เป็นของเราไปตลอดแต่มันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีวันตายกันทุกร่างกายมันก็กลัวกันมันก็ทุกข์กัน แต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของเราเราไม่ทุกข์หรอกเหมือนการร่างกายคนอื่นนี่เราไม่ทุกข์ด้วยใช่ั้ยคนที่เราไม่รู้จักเราทุกข์ไหมเวลาร่างกายเขาตายนี่เราทุกข์ไหมเนี่ยเราเปิดหนังสือพิมพ์อ่านข่าวทุกวันมีคนตายอยู่ทุกวันเราไม่ร้องห่มร้องไห้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปยึดไปติดไม่คิดว่าเป็นของเรา พอไม่พอเราไม่คิดว่าเป็นของเราเราก็สบายถ้าอยากจะสบายก็คิดว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเราร่างกายเรานี่มันจะเป็นของเราไปถึงเมื่อไหร่มันมีวันที่จะไม่เป็นของเราหรือไม่วันตายนี่เป็นของเราหรือเปล่าแม้แต่พ่อแม่ก็ยังไม่เอาเลยเวลาร่างกายเราตายเยกให้สับปเปล่าเลย ไม่เอาเงินเลยจ่ายเงินให้ด้วยยกให้สับเปลเลยแถมเงินให้ด้วยแต่จะมาไม่ตายนี่ถ้ามาขอนี่ต้องมีเอาเอาทองเอาเอาเงินมาเป็นสินสอดนะเวลามาขอลูกนี่ลูกสาวไปแต่งงานนี่ต้องเอามีสินสอดทองมั่นอะไรแต่เวลาลูกสาวตายนี่แถมให้เลยแถมเงินแถมทองให้เลย ถต่ไม่สับปเปละาแต่ไม่วัดให้เราคิดถึงความตายบ่อยๆแล้วเราจะได้มองเห็นชัดๆว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเป็นของยืมมาเราจะได้ไม่หวงไม่หวงแล้วเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์เกิดจากความหวงความหวง ก็ความหลงไปคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวตัวที่คิดตัวที่รู้อยู่นี้ตัวนี้เป็นตัวเราเราเรียกมันว่าใจจิตใจจิตใจคือตัวคิดตัวรู้ตัวที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเนี่ยมาที่นี่ได้ต้องคิดก่อนหรือเปล่าวันนี้จะมาวัดจะขึ้นมาบนเขา ถ้าไม่คิดก็ไม่ได้มาถ้าคิดไปที่อื่นมันก็ไปที่อื่นเนี <ồ studio S 1> ่ยใจเป็นผู้สั่งร่างกายผู้ที่สั่งร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่ไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเรานี้ก็ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายคิดเองไม่เป็นร่างกายไม่มีความคิด <t> ร่างกายเป็นเหมือนต้นไม้ ไม่มีความรู้สึกนึกคิดมีชีวิตแต่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเวลาไปฟันต้นไม้ต้นไม้ไม่เห็นบ่นไม่เห็นร้องเลยเวลามาฝันร่างกายนี่ร้องไหมร้องกันหมอเอาเข็มฉีดยามาทิ่กปั๊บเนี่ยร้องโอ้ยขึ้นมาเลยผู้ที่ร้องนี่ไม่ใช่ร่างกายผู้ที่ร้องคือใจร้องผ่านทางร่างกาย ผู้ที่ร้องไห้นี่ก็ไม่ได้เป็นร่างกายร้องถึงแม้จะเป็นน้ําตาของร่างกายแต่ผู้ที่ร้องก็คือใจเวลาใจได้รับความกระทบกระเทือนใจก็จะร้องไห้เสียใจเศร้าโศกแต่ใจนี้ถึงจะร้องยังไงจะทุกยังไงใจก็ไม่มีวันตายมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ตาย แต่มันจะอยู่แบบสุขหรืออยู่แบบทุกข์ถ้าหลงถ้ามีความหลงก็จะอยู่แบบทุกข์กันอย่างพวกเรานี่มีความหลงกันเราจึงทุกข์กันทุกข์กับสิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเราเราไม่ได้ทุกข์เลยเช่นะะสามีภรรยาของเรานี่ตอนที่เขายังไม่ได้เป็นสามีภรรยาของเราเราไม่ทุกข์กับเขาเลย ตอนที่เขาเราไม่รู้จักเขานี่เขาจะเป็นอะไรจะเป็นจะตายเราไม่เห็นเรารเราจะไม่รู้สึกอะไรกับเขาเลยแต่พอเขามาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของเรานี่เราทุกข์กับเขาแล้วทุกเพราะความหวงไม่ให้ใครแตะแล้วพอเป็นของเรานี่ห้ามแตะยอบใจ <c oughs> พอกายแตะก็เสียใจกังวลแล้วสิพอกายมาคุยกับสามีเราเรื่องภรรยาเรานี่เราเริ่มเอ๊ะเอะใจแล้วเอ๊ะทาไมก็ต้องมาคุยกันด้วย <c oughs> มีอะไรกันหรือเปล่า <c oughs> นี่แหละความหลงเนี่ยมันจะพาให้เราไปสู่ความรักความชังความกลัว เ, เราจึงต้องมากําจัดความหลง มีสองวิธีวิธีแรกก็ทําใจให้นิ่งๆให้หยุดคิดเนี่ยพอใจหยุดคิดความหลงมันก็หยุดทํางานชั่วคราวพอความหลงไม่ทํางานความรักความชางังความกลัวก็จะหายไปเวลานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปพอจิตสงบมันหยุดคิดปั๊บความหลงก็หยุดทํางานความรักความชางังความกลัวก็หายไปตอนนั้นสบาย ไม่เดือดร้นไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นคล้ายๆกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนนอนหลับนี่เราไม่ห่วงใครแล้วใช่ไหมไม่ห่วงใครแล้วตอนนั้นใครจะไปทําอะไรเป็นอะไรนเราไม่รับรู้ชีวิตเราน่าจะหลับทั้งวันทั้งคืนนะจะได้สบายแต่มันไม่ยอมหลับมันหลับตอนที่ร่างกายต้องการพักผ่อน พอร่างกายพักผ่อนพอแล้วมันก็ตืน่นพอตื่นแล้วความหลงก็ออกทำงานความรักก็จะทำให้เราต้องไปทำอะไรต่างๆเพื่อรักษาสิ่งที่เรารักเช่นร่างกายนี้เราก็รักเราก็ต้องไปหาข้าวมาให้มันกินไปหาเสื้อผ้ามาให้มันใส่ไปทำมาทามาหากินเบื้องต้นก็ดูแลร่างกายก่อนตัวนี้ตัวสำคัญเอาเอาให้มันอยู่ได้ก่อน อ๋อเลียงดูน่างกายล้วขั้นต่อไปก็ไปหาของที่เรารักอยากได้เห็นอะไรเราชอบอะไรก็ไปหามาหาข้าวหาของต่างๆที่เราชอบหาคนมาเป็นแฟนมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาพอได้มาแล้วก็มาหวงมาห่วงกันแล้วเวลาจากกันก็มาร้องห่มร้องไห้กันก็มีท่านเนี้ยชีวิตของเรา ทุกเพราะความหลงพอหลงปั๊บก็ต้องต้องเลี้ยงดูสิ่งที่เราหลงร่างกายพอเลี้ยงดูร่างกายแล้วนั่นก็ก็อยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มาคิดว่ามีสามีมีอะไรแล้วจะมีความสุขพออยู่คนเดียวมันเหงามันว้าวหวยกอะไรต้องไปมีสามีไปมีภรรยา เราก็ต้องมารักมาห่วงสามีมาห่วงภรรยากันมาห่วงกันแล้วพอมีสามีมีภรรยาก็มีลูกมาอีกก็ต้องมาห่วงลูกอีกห่วงลูกอีกมาทุกกับลูกอีกลูกเป็นอะไรก็เสียใจทีนี้มันบาเรื่องราวต่างๆนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไป ทำอะไรได้บางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ถ้าบางอย่างเช่นลูกไม่สบายถ้ามียารักษาก็หายได้แต่ถ้าเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้มันก็ไม่หายเช่นโรคทางจิตเนี่ยก็หายได้ถ้าแต่ลูกก็ต้องต้องช่วยด้วยคือต้องต้องพัฒนาจิตใจ โลกจิตนี่เกิดจากการเสื่อมทางสติสติไม่มีนี่มันก็ทำให้ทำอะไรเหมือนคนคนเสียสติถ้าอยากจะให้เป็นเหมือนคนปกติธรรมดาก็ต้องฝึกให้เขามีสติขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนี้ทางทางการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่การทางด้านสมองนี่เขาก็เริ่มใช้การสอนเด็กให้มีสติกัน ฝึเด็กให้ทําอะไรกันคือเด็กไม่มีสตินี่ก็สามารถสอนให้ฝึกให้เขามีสติได้สอนให้เขาทำนู่นทนํานี่การจะทําอะไรนี่มันก็ต้องใช้สติก็สามารถพัฒนาขึ้นมาได้สามารถที่จะพัฒนาเด็กที่พึ่งตนเองไม่ได้ให้พึ่งตนเองได้อันนี้ก็ทําได้ แต่มันต้องได้รับความร่วมมือจากตัวตัวเด็กเองถ้าเด็กไม่เอาเด็กนื่มไม่ไม่ยอมรับฟังให้ทำมันก็ไม่ทำก็จะไม่พัฒนาก็คือสรุปให้ฟังว่าของต่างๆที่ที่เรามีอยู่ที่คิดว่าเป็นของเรานี้มันไม่ได้เป็นของเราแแล้วมันก็มี มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันดีบ้างไม่ดีบ้างให้เจริญบ้างให้มันเสื่อมบ้างแล้วในที่สุดมันก็จะไปจุดเสื่อมในในที่สุดเช่นร่างกายนี้ต่อให้เราพัฒนาดูแลรักษาอย่างไรมันก็ทำได้ในในในในขีดหนึ่งเกินขีดนั้นมันก็ไปทำอะไรไม่ได้ มันมีมันมีทางไปของมันร่นางกายนีม่มันตอนต้นก็จะเจริญเติบโตพอมันโตเต็มที่แล้วมันก็จะเริ่มแก่แล้วเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ตายไปถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้เราอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เราก็พยายาม หาวิธีอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ค้นคว้ากั น, นก็พยายามค้นค้าหาวิธีว่าทำไงให้ร่างกายไม่แก่กันร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่ตายกันค้นคว้ากันวิจัยกันมาไม่รู้กี่กี่ยุ ก, กี่สมัยแล้วก็ทำไม่ได้ แต่ก็ยังมีคนที่อยากจะทําอยูน่นะยัง อ, อยากจะค้นคว้ายังอยากจะวิจยัย น, นเพราะว่ามันมันเป็นของของเราแล้วเราก็เลยไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยให้มันตายกันอันนี้ก็เลยทําให้เราวุ่นวายกันทุ ก, กันแต่ถ้าเรามองความจริงว่าเออมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อย่าไปเหนื่อยกับการที่เราจะไปฝืนมันเลยปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไม่ทุกข์กับมันคือถ้าเราทําได้ก็ทําไปสมมติว่าเราทําให้มันไม่แก่ได้ก็ทําไปแต่ถ้าทําแล้วมันทําไม่ได้ก็อย่าไปฝืนมันถ้าทําให้มันไม่เจ็บได้ก็ทําไปทําให้มันไม่ตายได้ก็ทําไปแต่ถ้าทําไม่ได้ก็อย่าไปเหนื่อยกับมันเลย อย่าไปทุกข์กับมันเราเราจะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายวิธีที่จะทำให้ใจเรายอมเราก็ต้องหยุดหยุดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายนี่เราก็ต้องใช้กำลังของสตินี้มาหยุดมันมาทำใจให้สงบหยุดความคิดที่จะทำให้ ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพออยู่ได้ใจก็จะสงบจะสบายแล้วจะอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วถ้าเรารู้ความจริงว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราตัวเราจริงๆนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตัวเราก็คือจิตใจนี่แหละที่เป็นผู้คิดผู้รู้นี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายเลย เพราะว่าจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายจิตใจเมื่อไม่มีรูปร่างมันก็เลยไม่มีรูปร่างที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับร่างกายเนี่ที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อทำสองอย่างอย่างแรกก็คือหยุดความอยากของเราหยุดความคิดที่จะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย แล้วก็สอนให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะต้องจากเราไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปเดือดร้อนร่างกายมันต้องไปจากเราและของทุกอย่างที่เราหามาที่เราได้มาก็ต้องจากเราไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง สามีภรรยาบุตรธิดาก็ไม่ใช่เป็นของเราทั้งนั้นสมบัติข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่เรามีอยู่นี่ก็ไม่ได้เป็นของเราถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะสบายใจเราจะไม่หวงไม่หวงถ้าเราหยุดใจเราได้หยุดความคิดเราได้ เราจะอยู่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรได้ตอนนี้เราอยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้เพราะใจเราคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราแล้วพอเราได้มาแล้วเราก็ติดมันต้องมีมันถ้าไม่มีมันเราก็จะทุกข์ปัญหาเราอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราอยู่โดยไม่มีอะไรไม่ได้ แล้วพอมีอะไรก็อยากจะให้มันเป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เป็นเราก็ทุกเวลามันจากเราไปลรวก็เสีย อ, อกเสียใจร้องหกบร้องไห้กันแต่ถ้าเรามาฝึกใจของเราให้สงบไม่ให้คิดไม่ให้อยากใจจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรเวลาเรานั่งสมาธิ แล้วใจสงบนี่ใจจะไม่หิวไม่อยากได้อะไรใจจะมีความอิ่มถ้าเราสามารถรักษาความอิ่มนั้นได้ไปตลอดเราก็ไม่ต้องมีอะไรเราก็จะได้ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีกัน<ม>ก็มีเท่านี้แหละก็ใจของเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ ตอนนี้เราทุกเพราะเราต้องพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้ต้องพึ่งร่างกายพอพึ่งไม่ได้เราก็จะทุกข์กันเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอะไรขึ้นมาเราก็ทุกข์กันแต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขในใจเราแล้ ว, ลวเราก็ไม่ต้องพึ่งอะไร ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้เขาเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเราจึงต้องมาเปลี่ยนอาชีพกันตอนนี้เรามีอาชีพพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปทำงานไปหาเงินหาทองหาสิ่งของต่างๆหาบุคคลต่างๆเพราะเราพึ่งเขาเราอยา พอเวลาเรามีเขาแล้วเรามีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่เรามีเพราะว่าเราก็จะรักจะหวงจะห่วงจะกลัวกลัวสิ่งที่เรามีจะจากเราไปจะเป็นอะไรไปแต่ถ้าเรามาฝึกจิตของเราให้อยู่แบบไม่มีอะไรได้ ไม่ต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายนี้จิตก็ไม่ต้องพึ่งได้ถ้าจิตมีความสงบนี้ไม่ต้องมีร่างกายจิตก็มีความสุขได้แต่จิตที่ไม่มีความสงบก็เลยต้องไปพึ่งร่างกายไปพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆหาความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วพอ ได้มาก็สุขแล้วก็มาลักมาหวงกับสิ่งที่เราได้มาแล้วเวลาเสียไปก็ต้องมาเสียอกเสียใจแล้วก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็เหนื่อยเวลาหาก็เหนื่อยเวลาได้มาก็เหนื่อยได้มาก็ต้องมาคอยดูแลรักษาอ่าีกเนี่ยเราไปหาความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่รู้ว่าความสุข ที่แท้จริงนั้นหาอย่างไรเราจะรู้ก็เมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้านี่แหละพบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านจะสอนว่าให้ม า, าวความสุขทั้งนี้ม า, าวความสุขจากการทําใจให้สงบ ก, กันมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันถ้ามีสตินั่งสมาธิใจก็จะสงบ ถ้าไม่มีสตินั่งไปก็ไม่สงบเพราะจะคิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ามีสติก็จะหยุดความคิดได้พอหยุดความคิดได้จิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอะไรแล้ะถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องพึ่งอะไรก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นของเราสัพเพธรมมานา ต, ตา ไม่มีอะไรเป็นของเราเมื่อเราปล่อยวางทุกอย่างว่าไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเหมือนกับเราปล่อยวางของที่ไม่ใช่เป็นของเราในขณะนี้ saying, เราไม่ทุกข์กับของที่ไม่ได้เป็นของเราเลยรถยนต์บ้านช่องบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่เราไม่รู้จักนี่เราไม่ทุกข์เลยเขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะเป็นอะไรนี่เราไม่ทุกข์เลย เพราะเราไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเน้นเราต้องมามาปล่อยวางของที่เราถือว่าเป็นของเราตั้งแต่บันนี้เลยอันไหนเป็นของเราต้องทิ้งมันกับไม่ใช่ของเราเอาคำว่าไม่ไว้เป็นไว้ไว้ไว้ไว้ข้างหน้าไม่ใช่ของเราอันไหนที่ว่าเป็นของเราเนี่ยเราเปลี่ยนป้ายใหม่ไม่ใช่ของเรา มันเป็นไม่ได้เป็นของเราแล้วเราก็สบายใครจะมาหยิบไปเราก็ไม่เดือดร้อนแค่นี้สบายแล้วเนี่ยเปลี่ยนป้ายนิดหน่อยเอาคำว่าไม่เข้าไปไม่ใช่ท่านเีไม่ใช่ของเราอันไหนที่มันเป็นของเราเราก็เอาคำว่าไม่ใช่ไปใส่ไว้ข้างหน้านะไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไม่เดือดร้อนเลย ใารจะเอาไปนี่มันไม่เดือดร้อนใช่ไหมของนี่ไม่ใช่ของเราเดือดร้อนไหมในสารานนี้ไม่ใช่ของญาติโยมญาติโยมเดือดร้อนัหมมันเป็นอะไรมันจะพังมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่ของเรานะเราต้องการสองคำนี้ท่านนะ่ะไม่ใช่มาใส่ข้างหน้าคําว่าของเราอันไหนเป็นของเราเอาใส่ว่าไม่ใช่ ลูกของลูกเราไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเราสามีไม่ใช่สามีเราภรรยาไม่ใช่ภรรยาเราเป็นของยืมเข้ามามเดี๋ยวเขาก็มาเอาคืนไปเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาคืนไปเดี๋ยวก็ต้องยกให้สับปปเหล่ากันไม่หมดสับ ป, ปเหล่าเนี่ยจะมาเป็นคนรับของไปคืนให้เจ้าของเจ้าของก็คือดินน้ำนมไฟ หับเล่ก็เอาไปส่งให้ดินน้ําลมไฟเอาไปเผาเผาก็เกิดลุกเป็นไฟขึ้นมาธาตุไฟก็ออกจากร่างกายไปธาตุน้ําก็ถูกไฟเผาให้ระเหยออกไปเหลืออย่างเดียวที่เผาไม่ได้ก็คือธาตุดินก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเศษกระดูกไปแค่มีเท่านี้แหละของทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราให้จําไว้ เราอย่าไปยึดอย่าไปถือว่าเป็นของเราแล้วเราจะไม่เสีย อ, อกเสียใจจะไม่วิตกจะไม่กังวลจะไม่เดือดร้อน<ม>กับอะไรทั้งปวง<ม><ม>ก่อนที่เราจะปล่อยได้เราต้องมีความสุขก่อนทำใจให้สงบก่อนถ้าไม่สงบถึงแม้มันไม่จะเป็นของเราก็ยังก็ยังดียังก ตอนนี้มันยังเป็นของเราอยู่ก็ขออาศัยมันให้ความสุขกับเราไปก่อนแต่ถ้าเราสามารถสร้างความสุขขึ้นมาในตัวเราได้เราก็จะได้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ต้องไปครึ่งเขาเราก็จะไม่ไปเสียดายเวลาที่เขาต้องจากเราไป เป้าหมายแรกก็คือต้องมาสร้างความความสงบกันให้ได้ถ้ามีความสงบแล้วจะมีความสุขในตัวเราจะไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมีร่างกายอันนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้จะเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อนแล้วพอเรามีความสุข ในใจเราแล้วเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ตามภามเป็นจริงว่าเขาไม่ได้เป็นของเราเขาจะต้องมีวันจากเราไปเวลาก็จากเราเราก็จะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจไม่รู้สึกเดือดร้อนอเราอยู่กันอย่างสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด ไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องเหลือร้อนกับร่างกายดังนั้นเราต้องมาทํสองอย่างขั้นแรกก็ทาใจให้สงบสงบแล้วเราก็จะพึ่งตัวเราเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆแล้วเราก็สอนใจว่าสิ่งต่างๆเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นของเรา แทนี่จะให้ความสุขกับเราเขาจะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไปถือว่าเป็นของเรา <c oughs> แล้วเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับอะไรต่อไปไม่ต้องมีอะไร <c oughs> ไม่อยากได้อะไรไม่ต้องมีอะไรเพราะเรามีความสุขในตัวเราแล้วมีความสงบนี้เป็นตัวให้ความสุขกับเราที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จาก บุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆ ง, งั้นพยายามมาฝึกสติกันให้มากๆเพราะใจจะสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้หยุดความคิดถ้าเราท่องพุโทโธพุโทโธไปได้เราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้เรื่อย เมือกับเร้องเพลงไปภายในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอเราพุโทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราไม่คิดใจเราก็เบาสบายไม่กังวลไม่อยากไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงแต่พอคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาเราจะไม่สบายใจ เราจะเกิดความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจกังวลใจงั้นอย่าไปคิดเลยความคิดนี้ส่วนใหญ่มีแต่คิดแล้วทําให้เราปวดหัวกันนั่นหยุดความคิดด้วยพุโทโธดีกว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป แล้วมีเวลาว่างก็นั่งเฉยๆพุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบเองสงบแล้วก็สบายตอนสงบพุทโธก็หายไปไม่ต้องพุทโธใจจะว่างจะเย็นจะสบายเวลาจะสงบนี่มันจะเหมือนรูปลงไปตกหนุมตกบอ่อแล้วมันก็จะนิ่งพุทโธก็จะหยุดแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อ เรามีความสุขในตัวของเราเองเราไม่ต้องไปหาความสุขจากของต่างๆจากบุคคลต่างๆแล้วเราก็จะปล่อยวางของที่เราเคยมีอยู่ว่าเป็นของเราได้แม้แต่ร่างกายเราก็จะปล่อยได้เพราะเราจะเห็นด้วยความจริงเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นของเร า, เ, ราเวลาเรามาเรามีอะไรติดตัวมาอเปล่าเวลาเรามาเกิดเนี่ย แม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเป็นของพ่อแม่ทำว่าสร้างขึ้นมาแล้วเราก็ไปอาศัยอยู่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือให้เราไปหาอะไรต่างๆมากันพอเราโตเราก็ไปหาเงินหาทองหาสามีหาภรรยาหาลูกหาเต้าเออหายศหาตําแหน่งหาอะไรต่างๆกันหาความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายกัน แล้วเดี๋ยวพอตายไปก็หมดไปทุกอย่างของที่เราหามาได้หมดก็เราก็เอาไปไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องไปเกิดใหม่เพราะเรายังอยากหาอยู่เพราะเราไม่เคยคิดหยุดจะหามันคิดแต่จะหามันเพราะความอยากได้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามาฝึกจิตมาหยุดความอยากได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องไปหาอะไร พระพุทธเจ้าฝึกจิตของท่านยังกระทั่งท่านหยุดท่านหยุดความอยากต่างๆได้หมดท่านเลยไม่จําเป็นจะต้องมีร่างกายไปทําตามความอยากต่างๆอ่านก็เลยไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพากจากของต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายหามาได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องพัดพากจากกันนี่คือ เรื่องของใจของพวกเราที่ทุกข์ที่วุ่นวายใจกันเพราะว่ามันไม่สงบมันไม่มีความสุขในตัวมันมันก็เลยไปหาความสุขจากของต่างๆจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่ไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลาเพราะเขาต้องเปลี่ยนไปเขาต้องเสื่อมไปเขาต้องจากเราไป พอเวลาเขาเสือ่อมเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจทุกข์ใจกันได้ความสุขจากเขาแล้วก็ต้องได้ความทุกข์จากเขาด้วยแต่ถ้าเราสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจของเราได้เราก็ไม่ต้องไปมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเมื่อเราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขเราก็ไม่ต้องมีมีความทุกข์จากเขา นีก็คือเรื่องจิตใจของพวกเราถ้าอยากจะมีความสุขกันมาฝึกจิตกันมาหยุดความคิดกันมานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันแล้วก็สอนใจให้รู้ว่าของต่างๆนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เป็นสุขหรอกมันทุกข์มันสุกเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นเหมือนเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลเนี่ยเวลาอมไปใหม่ๆมันก็หวาน สักพักน้ำตาลที่เคลือบยาขมมันละลายไปที่นี้ก็ขมปีเลยนะนี่คือสิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลหรือถ้าพูดภาษาตามความจริงก็คือเป็นความทุกข์เคลือบความสุขไว้บางๆแต่งงานกันใหม่ๆรักกันสองสามวันสี่ห้าสี่สี่ห้าเดือน เดี๋ยวหมอข้าไม่ทันดําก็ทะเลาะกันล่ะความสุขที่ได้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นอย่าไปมีความสุขจากอะไรดีกว่าเพราะมันจะมีความทุกข์ตามมาให้มาหาความสุขในตัวเรามาทําใจให้สงบกันด้วยการเจริญสติอัดท่องพุโทโธไปทั้งวันแล้วเวลานั่งสมาธิจิต จ, จะสงบ ถ้าไม่มีพุโทโธไม่มีสตินั่งไปคิดไปไม่มีวันสงบต้องนั่งเฉยๆไม่มีความคิดจะไม่มีความคิดก็ต้องมีพุโทโธมาหยุดมันก็ขอให้เราเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจพารณาและไปปฏิบัติแล้วเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็การแสดงก็พอสมควรแก่เวลา ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ล้ว Facebook Facebook จากสามอยสิวันนี้เหลือ293าค่ะอ่ายู u ูบเท่าไหร่สี้สค่ะ46หมีชาลานหรือ YouTube โทนี่วะไม่มี ตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทาง YouTube กับ Facebook อยู่ที่ไหนก็ติดตามได้ไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้อยู่หนที่ไหนที่มีอินเทอร์เน็ตรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถรับชมรับฟังได้สามารถส่งข้อความเข้ามาถามคำถามได้มีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าเว่าโยมแม่ที่ป่วยอจริงนะร่างกายท่านจะพูดไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านยังได้มีการรับรู้ได้อยู่แล้วก็การถามตอบเนี่ยจะเป็น yes no แล้วให้โยมแม่กับพิ่ตาก็ไม่ทราบว่าราละเอียดพวกมัน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ผ่านมายัางเรื่องทำบุญเนี่ยจะบอกว่าโยมแม่เอาเอาเงินโยมแม่ไปทำที่นั่นที่นี่ให้โยมแม่รักษาให้อนนหายุเวียนนาแล้วก็จะถามว่า ทันที่แน่นไหมที่นี่ไหมบางทีก็โยมแ่ก็เฉื่อยเฉื่แต่พอบอกว่าทาทุกแหงดีไหมอะไรแบบนี้โยมแม่ก็เจอกระเพาะตาแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าท่านท่านเจตนาอย่างนั้นจริงๆมันเป็นการกระเพิะตาโดยบังเอิญก็ตามอเราไม่รู้หรอกก็ตอนที่เขาเดินเหินได้ทําไมเขาไม่ทําำมาทําตอนนี้ทําไมตอนนั้นก็ทําอยู่อทำก็ทําไปเลยทำว่า ก็ทําไปเมื่ออยู่ในสภาพที่ทําไม่ได้ก็อย่าไปไปกังวลกับมันตอนนั้นควรจะทําอ ย, าอยา่างอื่นตอนนั้นควรจะทําใจให้สงบจะดีกว่าตอนนั้นให้เขาพุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบดีกว่า อ, อ, อทําในสิ่งที่ทําได้ดีกว่าสิ่งที่ทําไม่ได้ก็อย่าไปทําแล้วไปบอกให้เขาทำอย่างมันทํานี้มัน เรื่องการทํานี่ต้องออกจากใจเขาเองเขาต้องสั่งเราเอ ง, องเขาเจะโยมเอาพวกพระลูกกนันลูกติดพระสังฆราชต็ดเอาไว้สองข้างเนี้ยแล้วก็เวลาโยมแม่หันไปข้างใดข้างหนึ่งก็จะสังเกตว่าเขาจะพยายามมองอยู่ที่ข้างเออหมายถึว่าถ้าทำบุญเสริมกไปด้วยอ้าวทไปเอาอยากจะทำํำก็ทําไป อ, อื มีอะไรจะถาม้าไม่มีมีไหมมาจากที่ไหนมาจากป่าีนบุรีจ้าค่ะเคยมาบ้างมเมาเลยมากันกี่คนนะอนี้มาสามคนจ้ะคนอยู่ในตัวจังหวัดเลยอยู่อำเภอกระบินบุรีค่ะอ๋อขับรถมาชาวญี่ปล่นนี่ล ไปติดตามทาง f เฟซบ o ๊กป่ะติดตามอยู่เจ้าค่ะเออทำไมวันนี้ต้องมาด้วย ต, ต, ต, ต้องมากราบจีร่าสิค่ะฟังเทนดีเน็ตอย่างเดียวอ่ามันก็เหมือนกันไม่ใช่หรมันไม่ได้พลังงานต<ม>ังใจเจ้าค่ะมาหมอนตรงนี้ได้พลังงานเยอะกว่าเลยอ่ะแหมตน้นน้ำมันก็ต้องติต่อเลยรนิดเจ้าค่ะ ก็พระอาจารย์บอกอยู่เสมอขึเสมือว่าต้องมาเติมน้ำมันหรือมาเติมถึงที่เลยแหละเจ้าคะไม่เดี๋ยวนี้มันเติมผ่านทางทางเหล็กได้คุณไม่ได้สัมผัสกระแสมันมีของพระอาจารย์ใช่ไคะได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวภาพเลยหนีมันอย่างนี้มันติกว่าอก็ไม่ไม่ไม่เทียงแต่ถ้าพูดโดยเหตุผลมันก็น่าจะเหมือนกันเพราะเสียงมันก็ เปิดฟังมันก็เสียงอันเดียวกันธรรมะที่พูดก็ธรรมะอันเดียวกันใช่ค่ะแต่ความติต็ต่างกันเออก็เหมือนกับคนที่เข้าไปดูกีฬาเข้าไปดูในสนามกับดูทางบ้านมันไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่แต่พูดตามเหตุผลแล้วมันน่าจะได้ประโยชน์เหมือนกัน ก็ได้ทั้งนั้นมาก็ได้ไม่ว่าเลยเพียงแต่ถามอยากจะทราบมาทําไมต้องมาเพราะแต่ความรู้สึกของเราถ้าเป็นเราเราก็คงไม่มาเหนื่อย <c oughs> <c oughs> ไม่เหนื่อยใช่ไหมเรื่องเป็ก็เราอยากออกก็นอกบ้านมากกว่า <c oughs> อยู่บ้านแล้วมันเบื่อพอ <c oughs> ได้ออกนอกบ้านแล้วมันทําให้เราเพลิดเพลินไม่เบื่อมั้ง ตอนอยู่บ้านมันอาจจะต้องทำงานทำการอาะไรอื่นมาเรียกไมอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจาสมาธิที่ฟังทำอย่างเดียวอันี้ยอมรับว่าเป็นเป็นส่วนที่อยู่ที่นี่ทุกคนมาที่รู้ว่าต้องอยู่เฉยๆต้องฟังอย่างเดียวถ้ามาทําอะไรนี่ก็จะเดี๋ยวก็ต้องเกิดเรื่องขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่บ้านบางทีเด็ยคนนั้นก็เรียกคนนี้ก็เรียกอเราก็ เราจะไปบอกวขาอย่ามาเรียกเขาก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็ถูกการฟังในสถานที่ที่มีความสงบไม่มีอระไรรบกวนนี่มันได้รดชาติดีกว่าการฟังในสถานที่ที่มันมีอะไรมาคอยรบกวนเราการแสดงธรรมก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีนี่ยังต้องอยู่ในบรรยากาศที่สงบเงียบ แล้วจะได้ประโยชน์มากถ้าอยู่ในบรรยากาศที่มีความอึดอัทุกข์ึกลวุ่นวายเนี่ยจิตจะสงบยากการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้ใจสงบเชื่อจะได้มีความสุขถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรพอมีแล้วมันทุกข์มีแล้วต้องรักต้องห่วงต้องห่วงต้องเสียใจ เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลาที่เขาจากไปมีคําถามเข้ามาไหมมีครับในยูทูบยังไม่มีนะครับแต่ในอินบ็อกซ์อินบ็อกซ์มีคําถามหนึ่งฮะ ค, คาถามยาวนะแต่ผมตัดออกมานิดอ่านอินบ็อกซ์ของใครของ facebook เฟซบุ o กเหรออินบ็อกซ์ของของ facebook ครับอที่เขาฝากคําถามว่าจะถามวันเสาร์อาทิตย์นี้ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการถามวันวันนี้ขึ้นนี้แหะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะ เราจะถามตอนตอนอถามได้เลยครับจากคุญญณพัฒนนะครับหากเราต้องจําเป็นมีบางวัตถุครูบาอาจารย์ที่ท่านอธิษฐานจิตบอกเป็นพุทธคุณใส่ลงไปของขลังอย่างนี้มีติดตัวพอจะปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นกําลังใจให้บรรลุธรรมขั้นต้นจากพอได้ไหมครับถือว่าผิดไหมครับอะไรที่ทําให้เราบรรลุธรรมได้ก็เอาไปเลย ถ้าคิดว่ามีแล้วจะทําให้เราบรรลุทําได้ก็มีไปแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่ต้องมีอะไรสิ่งที่จะทําให้มันบรรลุธรรมก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องมีแต่ให้มีวัตถุมงคลวิเศษขนาดไหนถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็บรรลุไม่ได้เพรนั้นคนที่ก็มีศีลสมาธิปัญญาเขาก็ไม่ต้องมีวัตถุอะไรมา ถ้าคิดว่ามีวัตถุแล้วจะกระตุ้นให้เรารักษาศีลให้เราปฏิบัติสมาธิปัญญาก็มีไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของแต่ละคนกันแล้วกันบางคนอาจจะติดเรื่องวัตถุมาจําเป็นจะต้องมีวัตถุไว้เป็นตัวกระตุ้นก็แล้วถ้าเกิดมันหายไปจะทำไง ใช่ไมยังมันไม่จำเป็นจะต้องมีหรอกคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้คนที่เขาพระพุทธเจ้าไม่เห็นมีวัตถุมงคลมากระตุ้นเลยสิ่งที่กระตุ้นพระพุทธเจ้าคืออะไรรู้เปล่าเทวทูตสี่ถ้าเราอยากจะต้องการอะไรมากระตุ้นศรัทธาของเรากระตุ้นการปฏิบัติของเราให้เราเลืถึงเทวทูตสี่ รู้จักเทวทูตสีไห ม, มหนึ่งคนแก่ <S <S คนเจ็บ <S <S คนตายแล้วก็นักบวชเนี่ยเห็นสีคนนี้แล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่จะเป็นนักบวชพอเห็นน่าตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปาัป๊บ ป, ปไปเป็นนักบวชดีกว่าไม่รู้จะอยู่ทาไม อ, อยู่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่ได้อะไระ <S <S เพราะว่า ใจจะไม่มีพลังที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้แต่ถ้าไปเป็นนักบวชนี่จะสร้างพลังใจขึ้นมาจะทำให้ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปถ้าต้องการมีวัตถุกระตุน้นจิตใจของเราให้ปฏิบัติก็ให้ระลึกถึงเทวทูตทั้งสีนี้ มาฟังเทศน์ตั้งหลายวันยังไม่ดูเทวทูสีเป็นยังไง <c oughs> โอตายแล้วให้คนสอนนี่บอกคลั่งเขาเปล่าอึนแต่ไม่ได้ใช้ชื่อเทวทูสีนี่แต่พูดอยู่เรื่อย <c oughs> อย่างที่พระเจ้าสอนว่าให้เราหมั่นแล้วเลิกอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเก็บต้องตายต้องพัดพากจากกันอันนี้ก็เป็นการบุกเทวทูสีให้ขึ้นมาให้มาเตือนใจเราว่าอย่าอย่าอยูอย่ อย่าอยู่กินแบบนี้เลยจะตายไปป่าๆจะทุกจะตายด้วยความทุกจะอยู่ด้วยความทุก <c oughs> อ่ ะ, อะมีไหมคำถามคำถามเดียวเลยครับ youtube youtube มีมีหนึ่งคำถามครับจากคุณวันวิสาการทำงานบ้านไปด้วยฟังทำไปด้วยจะถือว่าไม่เคารพในธรรมไหมคะ คือคาร์ลลบไม่ารลบมันอยู่ที่มันไม่สำคัญมันสำคัญที่อยู่ที่ว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์มากกว่าการฟังทมด้วยความเคาร์แต่ฟังแล้วนั่งเฉยๆแต่ฟังแล้วก็ฟังแบบทับพีในหม้อแกงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคือฟังแล้วใจไปคิดเรื่องอื่นใจลอยไปอยู่ที่อื่นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรการฟังทำแล้วก็ทางานไปด้วยมันก็เหมือนกับทับพีในหม้อแกง าะเราไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องเราต้องไปทางานใจของเราก็เลยจะฟังครึ่งหนึ่งทำงานครึ่งหนึ่งไปประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่ได้เต็มร้อยก็จะได้เพียงครึ่งเดียวและอาจจะไม่ได้เลยเพราะการฟังทำนี่มันต้องฟังอย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องของเหตุของผลเหมือนกับการดูภาพยนตร์นี่มันมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องเกี่ยวดองกัน เวลาคุณดูภาพยนตร์คุณไปทำงานด้วยหรือเปล่าใช่ไหมเปิดภาพยนตร์ไปแล้วก็ทำงานไปดรวอเปล่าแล้วนั่งจ้องอยู่ที่จออย่างเดียวมันก็เหมือนกันถ้าคุณเปิดภาพยนตร์แล้วคุณไปทางานด้วยเนะคุณดูก็ดูไม่รู้เรื่องเอ๊ะทำไมก็มาทำอะไรกันตอนนี้อย่างนี้เพราะเราตอนที่ก่อนที่จะมาถึงตอนนี้เราไปทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้มันก็เลยจะดูภาพยนตร์ไม่รู้เรื่อง การฟังทำก็แบบเดียวกันถ้าฟังแบบทำอะไรควบคู่ไปด้วยมันก็จะฟังแล้วไม่รู้เรื่องรู้ก็รู้น้อยได้น้อยได้บางส่วนเะฉะนั้นการฟังทำก็ถึงไม่นิยมทำอะไรกันให้อยู่เฉยๆไม่พูดคุยกันเขาถึงเรียกว่ามีศีลไงเวลานั่งเฉยๆไม่พูดอะไรไม่ทำอะไรนี่ก็มีศีลละ แล้วถ้าไม่คิดอะไรก็มีสมาธิล้วต้องฟังทรรมเพราะทำนี้มันระดับปัญญาจะเป็นปัญญาขึ้นมาได้ก็ต้องมีศรรมีลมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนงั้นการฟังที่ทำฟังทมที่ถูกต้องนั้นควรจะนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วก็ไม่คุยกันแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่ใจจดจ่ออยู่กับ เสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจเท่านั้นแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมาเพราะฟังแล้วจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็จะ้องอ๋ออกอ๋ อ, อ, อเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองอย่างเมื่อกี้นี้เทวทูตสีเป็นยังไงตอนนี้ไม่สงสยนะัยแล้ว นี้ใครถามว่าเทวทีสี่คืออะไรนีจ่จำได้จำได้จนวันตายเลยเออถ้าเข้าใจแล้วมันจะจำได้เองไม่ต้องจดจำเวลาฟังเทนี้ไม่ต้องไปจำเช่นอย่าไปท่องจาว่าวันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องอะไรบ้างฟังไปฟังไปแล้วถ้ามันเข้าใจเลยมันก็จะจำได้ถ้าไปจำนี่ช่วงที่เรากำลังจาตอนที่ท่านพูดอยู่ตอนนี้เวลา ที่กัลกำลังพูดต่อไปเราก็จําไม่ได้เราก็ไม่ได้ยินแล้วบางคนฟังแล้วไปแล้วเอากระดาษเอามินสอนมาบันทึกบันทึกเนี่เดี๋ยวมันจะฟังแล้วมันจะจําไม่ได้แล้วพอไปอ่านดูมันไม่เข้าใจว่า เ, เราเขียนอะไรวะเป็นอะไรยั้นไม่ต้องไปไปจดไปจำํำขอให้ฟังด้วยใจที่จดจอ่อแล้วพอเราเข้าใจความความหมายของธรรมเราก็จะไม่ลืม เพราะฉะนั้นเขาถึงว่าเวลาฟังธรรมแล้วไม่ตั้งอยู่ในความสงบนี่เขาเรียกว่าไม่เคารพธรรมความจริงความจริงเขาหมายถึงว่าไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมมากกว่าเคารพไม่เคารพนี่มันก็เป็นเรื่ององค์ประกอบที่ไม่สําคัญแต่ที่สําคัญจริงๆก็คือจะได้รับประโยชน์หรือไม่เขาก็เลยเอาความเคารพนี้มาเป็นตัวบังคับ ถ้าเราเคารพเราก็ต้องนั่งเฉยๆตั้งใจฟังแล้วเราจะได้รับประโยชน์แต่การฟังธรรมนี้ไม่ได้ฟังเพื่อมีความเคารพหรือไม่มีความเคารพแต่ต้องอาศัยการมีความเคารพนี้ถึงจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาถ้าเราเคารพเราก็จะเรียบร้อยเราก็จะนั่งเฉยๆตั้งอยู่ในความสงบถ้าเราไม่เคารพเลยเราก็นั่งคุยกัน พอพระตั้งนโมนแล้วก็นั่งซุบซิบซุบซิบกันคุยกันไปเออเดี๋ยวอยากจะทำอะไรคนอยากจะเสิบน้าก็เอาน้ามาเสิบคนอยากจะกินอะไรก็ลุกขึ้นไปหาอะไรมากินเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เคารพนะไม่เคารพทำเก็เลยต้องเอาความเคารพนี้มาเป็นเหตุที่จะทำให้พวกเราบังคับให้พวกเรานั่งเฉยๆกันให้เราตั้งใจฟังกัน หน่จะนั่งเฉยๆไม่คุยกันแล้วถ้ายังคิดอยู่ก็ยังถือว่าไม่เค้าลบทำเองใช่ไหม น, นั่งเฉยๆไม่คุยกันใดยังคิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรดีเดี๋ยวจะไปเที่ยวนี่ไหนดีเดี๋ยวจะไปทําอะไรดีขณะที่ฟังทำก็ถือว่าไม่เขราอีกองเพียงแต่ว่ามองไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะว่านั่งเฉยๆดูเวลาเห็นก็ดูว่าเรียบร้อยดีนั่งเฉยๆนั่งอยู่ในควาสมสงบ แต่ใจอาจจะเป็นลิงก็ได้นะแล้วก็ยังไอย่างนั้นก็ยังถือว่าไม่เคารพธรรมอีกเหมือนกันถ้าจะเคารพต้องนิ่งหมดกายวาจาใจต้องนิ่งหมดกายก็นิ่งวาจาก็นิ่งใจก็นิ่งอ ง, งั้นถึงเรียกว่าเคารพเมื่อนิ่งแล้วมันก็จะรับธรรมเข้าไปได้หมดเลยธรรมที่แสดงออกมานี้เท่าไหร่จะเข้าไปในใจหมดเลย าทาง a c e b o o k เลยเขามถามจต่ผู้ปาคถามค่ะที่ไหนข้างลาง่างนะเอาว่ามาหนูขอโอกาสเล่าเรื่องสักเล็กน้อยค่ะหนูมีโอกาสไปกราบสนทนาธรรมกับท่านพ่อขาววันชาติแยม้มมีที่อำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่ถึงสามครั้งแล้วก็ทราบว่าท่านพ่อข่าวได้บรรลุธรรมตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ ท่านมีหลวงปู่ประสิทธิ์เป็นครูบาอาจารย์ค่ะหนูก็มาเล่าให้ป้าฟังเอาหนังสือมาให้อ่านแกก็เลยตั้งคำถามมาว่าท่านพ่อข่าวไม่ได้บวชจะบรรลุธรรมแล้วยังใช้ชีวิตเป็นค า, ารวะได้อย่างไรหนูก็ตอบว่าท่านถือศีลแปดตลอดชีวิตแต่ป้าก็ยังเอาพระไตรปิฎกมาพูดถึงข้อที่ว่าเมื่อบรรลุธรรมแล้วบวชเป็นพระศีถึงจะใช่หนูก็เลยตอบว่าแล้วในกรณีคุณแม่ชี้แก้ว ท่านถือศีลแปดเพียงแต่เป็นแม่ชีขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายในเรื่องนี้ว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วบรรลุธรรมจะต้องบวชเป็นพระเท่านั้นหรือเจ้าคะคือคำว่าบวชนี่มันมีหลายลักษณะนบวชเต็มรูปแบบก็แบบนุ่งเหลืองหม่มเหลืองโกนศาาีรษะอยู่ตามวัดตามวามีพระวินัยศีลสงร่บเจ็ข้อกากับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบวชแบบหนึ่งการถือศีลแปดนี่ก็เรียกว่าเป็นการบวชแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าศีลมันไม่ละเอียดเหมือนกับศีลของของพระพระมีศีลข้อบังคับสองร้ยิบเจ็ดข้อแต่ศีลแปนี่ก็มีเพียงแปดข้อเท่านั้นเองอก็จะถือว่ า, าเป็นนักบวชก็ได้ พ่าแม่ชีก็ถือศีลแปดด้วยศีลสิบกันแต่แม่ชีที่เขาเข่งเข่งเขาจะมีข้อของพระวินัยของพระมามาม า, มารักษาด้วยเ อ, อกหลายข้อด้วยกันเพราะฉะนั้นศีลแปนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชเริ่มต้นนักบวชแบบไม่ไม่ได้อยู่เต็มรูปแบบ เพราะก็ยังมันก็เลยทำให้มีข้อกังวลสงสัยได้ว่าบวชจริงหรือไม่บวชจริงเพราะการบวชถือศีลแปดนี้ก็ไม่มีใครมาคล้ายๆว่ามาคอยควบคุมก็บวชกันไปเถืกันไปจะจะผิดศีลข้อไหนก็ไม่ไม่ต้องไปสารภาพไม่ต้องไปบอกใคร แต่ถ้าเป็นพระนี่ถ้าทำผิดสีนี่ต้องไปสารภาพไปจ้างให้คนอื่นทราบว่าเรากระทำผิดเป็นการประจานตัวเองงั้นเรื่องทั้งเรื่องก็คือว่าเป็นเรื่องของเขาอะ่ะเข้าใจไหมเขาจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็เรื่องของเขาเขาจะบวชหรือไม่บวชก็เรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกับเราสัหน่อย งั้นเราก็ฟังหูไว้หูก็นละกันถ้าว่าเขาบรรลุก็ก็บรรลุไปคือการบวชนี่มันบวชทางใจก็ได้คือใจไม่มีความคิดที่จะทําบาปแล้วก็ไม่ทํำบาปทางกายทางวาจาเพียงแต่ว่าไม่ได้โกนหัวไม่ได้นุ่ ง, งผ้าเหลืองผ้าขาวนี้มันก็เป็นเถือว่าบวชบวชทางใจอยู่ยงั้น เราคิดว่าไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญว่าเขาจะบรรุหรือไม่บรรลุบวชหรือไม่บวชเนี่ยถ้าเราไปศึกษากับเขาแล้ว เ, เราได้ประโยชน์ก็เอาไปใช้ก็แล้วกันถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปใช้ขอให้เราดูส่วนที่เป็นของเราดีกว่าส่วนของเราก็คือเราบรรลุหรือยังเราบวชหรือยัง ถ้าเรายังไม่บรรุยังไม่บวชก็ไปบวชซะไปบรรุกันซ ะ, อ, ะอย่างนั้นจะดีกว่าไม่ต้องมาถกเถียงกันให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ทราบตอบอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมเข้าใจน ะ, ะ, ะมีไหม ความามต่อไปจากจากยูทูบนะครับจากคุณทิติชัยครับเคยได้ฟังทำเรื่องการแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้กับผมพยายามทําความเข้าใจแต่ยังไม่กระจ่างขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําอธิบายครับคือใจนี่กับอารมณ์นี้มันเป็นสองอย่างเหมือนคนดูกับคนดูหนังกับหนังนี่เป็น2 อ, ส, อส่วนนีคนดูกับภาพยนตร์นี่มันเป็นคนละอ่านกัน คนดูก็นั่งดูไปอารมณ์ที่แสดงบนภาพที่แสดงบนจอก็แสดงไปใจก็แบบนี้ผู้รู้กับดูอารมณ์อันนี้เป็นการอธิบายให้ทราบว่าใจเหล่านี้เป็นผู้รู้แล้วอารมณ์นี้มันก็เป็นเหมือนภาพยนตร์ที่มาฉายให้ผู้ผู้รู้ดูอารมณ์นี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับภาพยนตร์เดี๋ยวก็ดีอารมณ์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวอารมณ์ก็เสีย เดี๋ยวก็วิตกเดี๋ยวก็กังวลเดี๋ยวก็ห่วงใยเดี๋ยวก็เบื่อนายเดี๋ยวก็ท้อแท้สารพัด ส, สารเพนี่เรียกว่าอารมณ์ทั้งนั้นที่มันโผล่ขึ้นมาในใจของเราใจเป็นผู้รู้ก็ไม่ได้รู้เฉยๆปัญหาอยู่ตรงนี้รู้แล้วก็เกิดอารมณ์ไปกับอารมณ์ที่มาเกิดดีใจเสียใจวุ่นวายใจไปกับอารมณ์ต่างๆ การมาฝึกจิตนี่ครับมาฝึกให้จิตดูเฉยๆให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปมีปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาใจมักจะมีปฏิกิริยาลักหรือชังกลัวหรือหลงกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความหลงทําให้ไปรักไปชังไปกลัวอารมณ์ต่างๆถ้าไม่หลงก็จะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวจะรู้ว่าเป็นเงาเป็นของปลอม ภาพยนตร์นี่เป็นของจริงไหมแต่เราก็ยังหลงกันใช่ไหมดูแล้วก็ยังหวาดเสียวไปกับภาพยนตร์ยังร้องไห้ไปกับภาพยนตร์ใช่ไหม mm hmm. น้ําตาไหลไหมเวเวลานางเอกฆ่าตัวตายหรือพระเอกฆ่าตัวตายนี่ร้องไห้กันหรือเปล่า hmm. แล้วมันตายจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมแต่ตอนที่ดูมันลื ม, มลไปแนละ้มันหลงไปกับอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นเหมือนภาพยนตร์เนี่ย มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเบื่อหน่ายแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปดีใจแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแต่พอมันมาเนี่เราเราไปมีปฏิกิริยากับมันทันทีเวลาดีใจก็โอ้ดีสุขไปกับมันเวลามันเสียใจก็ทุกข์ไปกับมั น, นเราต้องมาฝึกให้ใจเราอย่าไปดีใจไปเสียใจกับอารมณ์ต่างๆให้รู้ว่ามันเป็นภาพยนตร์ มันมาแล้วก็จบไม่มาแล้วก็ไปเดี๋ยวหนังก็จบทีที่จะทำให้หนังจบก็ไปนั่งสมาธิซะพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บอารมณ์ต่างๆมันก็หายไปเังนั้นฝึกสอนใจให้รู้ว่าอารมณ์ต่างๆนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นเหมือนภาพยนตร์อย่าไปทุกข์กับมันเลยอย่าไปดีใจเสียใจไปกับมันเลย เราโง่อเองเราไปดีใจเสียใจดีใจยังไม่เป็นไรแต่เสียใจนี่มันกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์ทรมานใจจนทั่งถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพอเราไปหลงกับอารมณ์แต่ถ้าเรามีปัญญาเรามีสมาธิเราก็จะดับอารมณ์เหล่านั้นดับความเสียใจได้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ ถึงแม้เราจะดับอารมณ์ไม่ได้แต่เราสามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดจากอารมณ์เหล่านั้นได้ว่าเราไปหลงมันเองเราไปหลงไปเชื่อมันเองว่าเป็นของจริงของจังความจริงมันก็เป็นเพียงเงาเหมือนภาพยนตร์เท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปวุ่นวายไปกับมันให้รู้เฉย อันนี้ก็เรื่องของการแยกอารมณ์กับผู้รู้ออกจากกันมันจะแยกได้ต้องแยกด้วยการปฏิบัติที่มานั่งพูดคุยกันนี่มันคุยได้พูดได้แต่ถึงเวลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมาจริงๆนี่มันมันทำยากฉนั้นเราต้องฝึกวิธีทำใจของเราให้นิ่งให้สงบแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้เฉยๆได้โดยที่ไม่มี ปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมารู้ว่าอ่ะตอนนี้อารมณ์ดีอะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปรู้ว่าตอนอารมณ์เสียอ่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปให้รู้เฉยๆไปถ้าเราไม่ไปไปไปตอบโต้มันแล้วมันจะหายไปถ้าเราไปตอบโต้มันก็เหมือนขุดคุยมันขึ้นมาต่อยิ่งอยากให้มันหายมันยิ่งมาใหญ่เลยถ้าไม่ไปอยากให้มันหายเฉยๆว่าเดี๋ยวมันก็หายไปเอง แล้วพออยากใจก็วุ่นขึ้นมาเองเลนอย่าไปอยากอย่าไปมีปฏิกิริยากับอารมณ์ต่างๆให้รู้เฉยๆแล้วใจจะสบายใจจะไม่วุ่นวายจะเฉยๆได้ก็ต้องมีสมาธิมีสติถ้าไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธไปเลยถ้าวุ่นวายกับลูกกับพุโทโธพุโทโธไปเลยอย่าไปคิดถึงลูกเดี๋ยวอารมณ์ที่เกี่ยวกับลูกก็จะหายไป คำถามต่อไปคำถามจากคุณพัชราอวิชชาคือความหลงหรือไม่คะอ่านั่นแหละมันความหลงความไม่รู้ว่าของทุกอย่างในโลกนี้เป็นเป็นเป็นเงาเราไปหลงเงากันข้อที่สองวิชาเกิดได้เพราะเกิดปัญญาหรือไม่คะวิชาก็ต้อมีพระพุทมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราถึงจะมีวิชาได้ ถ้าไม่มีคำสอนเราจะไม่รู้ว่าทุกอย่างเป็นเงาเราจะคิดว่าเป็นของจริงกันใช่ไตอนนี้เรายังคิดเป็นของจริงใช่ไหยร่างกายนี้เป็นของจริงมแต่พระเจ้าบอกมันเป็นเหมือนเงาเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมมันไม่เป็นของเราไปตลอดไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดมันก็เป็นเหมือนเงาผลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปโผขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไป เราไม่สามารถที่จะคว้ามันไว้ดึงมันไว้ให้อยู่กับเราไปตลอดได้ เ, เวลาเรามาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเวลาเราไปเราก็ไม่มีอะไรติดตัวไปเพราะมันเป็นเงาเอาเงาไปไหนได้เปอจับเงาใส่ขวดได้ไหมจับเงาใส่ขวดเก็บไว้ได้ปเปล่าพระอุทธเย้ามาสอนว่าอันนี้จังอนาตตาเนี่ยนะ เาว่านิจังก็คือไม่เที่ยงเกิดแล้วดับมันก็เป็นเหมือนเงาของที่มันเกิดแป๊บแล้วมันดับไปมันก็หายไปแล้วใช่หไหมมาปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วอนัตตาไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นสอนให้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเหมือนพยับแดดนี่พยับแดดนี่เหมือนเงารู้เป็นเหมือนของจริงแต่ไปจับต้องอะไรมันไม่ได้เดี๋ยหายไปแล้ว ถ้าเราไม่มีคำถามพระเจ้าเราก็จะหลงคิดว่าเป็นของจริงหมดร่างกายของเราพ่อแม่ของเราลูกเป็นของเราแฟนเป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปเฉยเฉเองย่างเงี้ยพอมันหายไปก็ซ้อร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแต่ถ้ารู้ว่าลูกนาว่ามันเป็นเงาเดี๋ยวมันต้องหายไปยังไงีเวลาแสงอาทิตย์มันทอดมาก็มีเงาเงี้ยพอพระอาทิตย์หายไปเงามันก็หมดไป ร่างกายนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นขี้เท่าขี้ถามไปให้มองอย่างนี้เราจะได้ไม่ไปเห็นว่ามันเป็นของของที่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นของที่เราไปพึ่งไม่ได้พูดง่ายๆอยาไปพึ่งเงาให้พึ่งของจริงของจริงนี่คือความสงบนี่แหละของนี่แหละเป็นของจริงเพราะถ้าเราเราสามารถสร้างความสงบขึ้นมาได้แล้วเราจะ สามารถรักษามันให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีวันหมดมีสิ่งเดียวที่ไม่มีวันหมดคือใจแล้วก็ความสงบหรือความทุกข์ตอนนี้เรามีแต่ความทุกข์ในใจเราสร้างแต่ความทุกข์ขึ้นมาในใจให้กับเราตลอดเวลาด้วยการไปหลงเงากันพอเรารู้ว่าเป็นเงาเราเลิกหลงเงาปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ความสงบเหลือแต่ความสุข แเราต้องอาศัยธรรมะคือวิชาของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนพวกเราก็จะไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นเงาเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราวเราก็จะวิ่งตะคุบเงากันอยู่เรื่อยัได้มาปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็หายไปละแล้วก็วมาหามาใหม่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็หมดไปเรื่อยๆร่างกายนี่เราหามาไม่รู้กี่ร่างละเกิดมาไม่รู้กี่ครั้งละเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ตาย แล้วเดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวก็ตายใหม่อย่างเนี้ยก็เหมือนกับตะคุกเงาอยู่เรื่อยๆเราจะบอกหยุดตะคุกเงาเอะอย่าไปหามันอย่าไปเอามันอย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปพึ่งอะไรทั้งหลายให้พึ่งความสงบเพียงอย่างเดียวให้มาทําใจให้สงบแล้วจะได้ไม่ต้องพึ่งอะไรออว่ามาคําถามจากคุณเอ็มผมอายุยี่สเจ็ดตอนนี้อยากบวชมากครับ แต่เป็นห่วงพ่อแม่เพราะท่านแก่มากแล้วพระอาจารย์แนะนำด้วยครับจะยังไงงงไงเหรมันก็เรื่องของคุณอ่ะ <c oughs> คุณจะบวชก็บวชสิแต่จะจะเอาสองอย่างพร้อมกันมันไม่ได้หรอกจะรักพี่เสียดายน้องมันไม่ได้ก็ต้องเลือกเอาจะเอาจะเอาอะไรคำถามจากคุณใบเงิน หลังจากทําสมาธิเสร็จแล้ววิธีการถอนจิตทําอย่างไรคะไม่ต้องวิธีมั น, ม, นมันถอนเองของมันเองเนี่ยเวลานั่งแล้วมันสงบก็นั่งไปพอมันไม่สงบมันก็ถอนออกมาเองพอมันถอนออกมาถ้าอยากจะให้มันสงบต่อก็นั่งต่อไปก็พุโทโธต่อไปถ้าไม่อยากจะพุโทโธต่อไปก็ลุกขึ้นมาถ้าไม่มีอะไรทําก็มาเดินจงกรมมาพุโทโธต่อไปเพื่อรักษาความสงบไว้อย่าปล่อยให้ใจคิด เพราะถ้าเมื่อใจคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่สงบแล้วมันก็จะวุ่นวายแล้วพอเราเดินเมื่อยแล้วเราถ้าเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งต่อมันก็จะสงบใหม่มันก็ต้องทำางนี้ไปเรื่อยเรื่อยเนื่องการออกสมาธิเข้าสมาธิมันเป็นไปโดยธรรมชาติของมันเมื่อนั่งแล้วมันมันหายสงบมันก็จะเริ่มคิดเองพอมันเริ่มคิดมันก็อยากจะลุกไปทานู่นทานี่ ถ้าไม่ถ้าอยากให้มันสงบต่อก็ต้องหยุดความคิดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้เนี่ยมันก็พาเราไปทําสิ่งต่างๆคำถามจากแม่เล็กนั่งสมาธิสักคู่ลมหายใจหายแล้วไปต่อไม่ได้เจ้าค่ะขอคําแนะนําด้วยเจค่ะจะไปตายเหรอไม่ให้ไปไหนนียก็ให้ให้นั่งเฉยๆให้มันสงบเอ่ถ้ามันลมหายใจหายก็ให้รู้ว่ามันหายแล้วก็ให้รู้เฉยๆ อย่าไปคิดอะไรถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิดเท่านั้นเองถ้าไม่คิดมันก็นั่งเฉยๆต่อไปได้คำถามจากคุณอรารยาทำไมเป็นคนอารมณ์ถึงเฉียวง่ายโมโหร้ายทั้งที่ปฏิบัติชอบอ่านคำสอนของพระอริยะหลายๆท่านและชอบฟังคำจากซีดีและคำสอนจากท่านพระอาจารย์รู้สึกแย่มากค่ะแต่ตอนโกรนี้มันหยุดกดอารมณ์ไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่มีสติคอยควบคุมอารมณ์นั่นเอง เหมือนรถที่ไม่มีเบรกดังนั้นต้องมาติดเบรกกันมาฝึกสติกันมาหัดบริกรรมพุทโธกันลืนตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็พุทโธไปเลยพุทโธไปทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับแล้วต่อไปอารมณ์เราจะควบคุมได้เวลาโกรธเราก็จะหยุดมันได้คำถามจากคุณจิรพัฒ การฝึกปฏิบัติในแต่ละวันนั้นผมฝึกทุกวันในช่วงเช้ามืดและก่อนนอนระหว่างวันก็ฝึกสติรู้ตัวตามที่ทําได้บางวันสงบดีนั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางวันคลุงสั้นนั่งได้ไม่เกิน20นาทีแสดงว่าการฝึกไม่ก้าวหน้าใช่ไหมครับขอกลับกลับขอแนวทางในการแก้ไขให้เข้าสมาธิได้อย่างมีความสม่ำเสมอและไม่ก้าวหน้าถอยหลังไปไมามาด้วยครับก็ต้องมันฝึกสติอยู่บ่อย ที่มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็อยู่ที่สติเนี่ยถ้าสติดีมันก็จะได้ผลดีถ้าสติไม่ดีมันก็จะได้ผลไม่ดีังนั้นก็ต้องพยายามดูว่าตอนนี้เรามีสติหรือเปล่าใจเราจดจ่ออยู่กับพุทโธหรือเปล่าหรือจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่หรือเปล่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าให้คอยถามตัวเองเรื่อยๆแล้วใจก็จะ มีสติเพิ่มมากขึ้นเวลานั่งก็จะสงบได้ได้นานคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่ดิฉันไปบวชปฏิบัติธรรม3มวันนั่งสมาธิวิปัสสนาค่ะเวลาดิฉันนั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงพอจิตสงบแล้วจะมีอาการมีน้ำตาหยดเม็ดเล็กๆออกมากับเรียนถามเจ้าค่ะว่ามีอาการแบบนี้ดีไหมคะ ไม่เป็นไรหรอกมันมีอาการก็ให้รู้เฉยๆแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันจะไม่มีอาการอะไรโผล่ขึ้นมาก็ควรที่จะภาวนาต่อไปใจพุทโธแล้วดูลมหายใจต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาคำถามจากคุณเพนพันธ์ลูกขอเทคนิคหรือวิธีคิดเมื่อต้องสอนคนอื่นซ้ำๆกันทุกวันค่ะ ก็คือสอนตัวเราเองก่อนอย่าไปสอนคนอื่นคนอื่นช่างหัวเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาสอนตัวเราก่อนสอนให้ตัวเราฉลาดก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นแต่ถ้าจําเป็นจะต้องสอนก็สอนแล้วก็อย่ามีอารมณ์กับกับการสอนบอกเข้าไปแล้วก็จบเขาจะทําตามหรือไม่ทําตามก็เรื่องของเขาเพราะเราไปบังคับเขาไม่ได้ เราสอนแล้วก็ไม่ทำตามก็จบเราสอนแล้วก็ทำตามก็จบเหมือนกันอย่าไปอย่าไปไปผูกพันกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราทำหน้าที่ของเราแล้วบอกเขาแล้วว่าต้องทำอย่างนี้นะถ้าเขาทำก็ดีไปก็ไม่ทำก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้คำถามจากคุณสมชยัยผมได้ฝันว่ากอดหลวงปู่มั่น แล้วผมถามท่านว่าลูกอยากเห็นธรรมหลวงปู่มั่นบอกว่ามีครูดีจเจริญวิปัสนาขอพระอาจารย์ไม่ตามความหมายว่าอย่างไรครับเออความหมายก็ต้องมีครูไงคอยสอนเราคำถามจากคุณเพนพักลูกมีความสงสยัยเพราะถูกฝึกให้สงสัยเป็นนิดอย่างนี้เรียกว่ามีิมีวิจิตกิจฉาซึ่งไม่ดีใช่ไหมเจ้าคะ คืถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเมื่อเราสงสัยเราก็ต้องหาคาําตอบเพื่อจะได้หายสงสัยถ้าเราสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ให้มันศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์ศึกษาคํ า, อ า, ส, าสอนของพระพุทธเจ้าไปเดี๋ยวเราก็จะหายสงสัยเองคาว่าสงสัยก็คือการไม่มีข้อมูลครบ ท่วนที่จะทำให้เราหายสงสัยเราก็ต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้มันให้มันเต็มยันถ้าเรามีความสงสัยเราก็ต้องศึกษาให้มากแล้วเดี๋ยวความสงสัยก็จะหายไปถ้าเราสงสัยว่าสามีเราไปมีแฟนหรือเปล่าเราก็ไปถามแฟนเลยตามเลยใช่ไหมถ้าไม่ไปตามเลยมันก็สงสัยอยู่นั่นใช่ไหมนั่นนะแล้วก็หายสงสัยเองนะ คำถามจากคุณเหมาข้อที่หนึ่งถือสินแปดดื่มเครื่องดื่มชูกำลังหลังเที่ยงวันได้ใช่ไหมครับเครื่องดื่มชูกำลังนี้มันก็ไม่ได้เป็นข้อห้าเพราะมันไม่ได้ทำให้ขาดสติถึงได้ให้เครื่องดื่มหรือสิ่งที่เสกเวแล้วทำให้ไม่มีสตินั่นเป็นข้อห้ามเช่นยาเสพติดหรือ ยานอนหลับนี่ก็ทำให้หมดสติได้เหมือนกันต้องจากว่าเพราะนอนไม่หลับเลยต้องกินเพื่อนอนหลับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความหมายของข้อสุรานี้ก็คือเพื่อไม่ให้มีเพื่อไม่ให้สติมันหายไปคนเดินสุราแล้วมันจะไม่มีสติประคับประคองใจใจจะคิดจะพูดจะทำอะไรมันก็ทำไปเลยมันก็จะทำให้เกิดความเสียหาย คนที่เดื่มสุราแล้วจะทำบาปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เดืม่มท่านถึงห้ามไม่ให้เดื่มสุราคนที่ไม่มีสตินี่จะทำอะไรโดยที่ไม่คิดว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วเหตุนั้นยาชูกําลังมันไม่เกี่ยวกันเนียยาชูกําลังมันก็เหมือนกาแฟเนี่ยกาแฟมันก็ชูกําลังเหมือนกันใช่ไหมกินแล้วก็ตื่นเลยนะนอน ง, ง่ว ง, ง, ง, งนี่ดื่มกาแฟไปเดี๋ยวก็หาย ง, ง่วงแต่มันไม่ดีตรงที่มันติดแล้วมันก็เป็นเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ ถ้าดื่มเกินเกินปริมาณที่เขากำหนดไว้เพราะมันจะไปทำลายตับทำลายไตยได้ข้อที่สองผมภาวนาบริกรรมพุทโธกับใช้การดูเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกการบริกรรมใช้อารมณ์บังคับสติตัวเองที่หนักกว่าการดูเคลื่อนไหวส่วนการดูเคลื่อนไหวมันเป็นการเจริญสติตามหลังปัจจุบันหรือเปล่าครับ พราะการขยับ ก, ก่อนเราจึงรู้อารมณ์เบาวกว่าไม่อึดอัดมากแสดงว่าการบริกรรมเป็นการภาวนาที่อุตลิกกว่าเหรอครับ อ, อ๋อไม่หรอกมันเป็นวิธีที่ใช้กันได้สองวิธีแล้วแต่จลึตบางคนดูเฉยเฉยไม่ได้ดูแล้วคิดก็ใช้พุโทโธพอใช้พุโทโธก็ไม่คิดก็เราก็ใช้พุโทโธไปคนที่เขาดูเฉยเฉได้โดยไม่ต้องใช้พุโทโธ ดูแล้วไม่คิดเขาก็ดูไปอ้มันจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องใช้พุโทโธบางคนไม่ต้องใช้พุโทโธคำถามจากคุณพระจันทร์ถ้าเราสวดบุตรสวดพาหงมหากราบทุกวันจะทำให้ปลอดภัยจากทั้งปวมได้ไหมครับไม่ปลอดภัยหรอกถ้าเราขับรถเร็ว คำลดประมาทสร้อ้สวนคาถาดีขนาดไหนเดี๋ยวก็ชนกันได้การสวด น, นี่เป็นการสร้างสติสร้างความสงบให้กับจิตใจท่านเ อ, องคาถามจากคุณพักพรพระอาจารย์บอกว่าถ้ายังไม่มีสติต่อเนื่องนั่งไม่มีวันสงบถ้าเราท่องคุดโทแล้วยังเผลอไปคิดแล้วดึงกลับมาอยู่อย่างนี้ควรนั่งควรนั่งสมาธิไหม หรือควรฝึกท่องพุโทโธต่อเนื่องไม่เผลอแล้วจึงค่อยนั่งคะก็ลอง<ท>ไปก็ไม่สงบอยู่ดีอ่ก็ลองดูเสียถ้านั่งไม่สงบก็กต้องพูดโทให้มากขึ้นจนกว่านั่งแล้วมันจะสงบนะครับต้องปฏิบัติดูเองเราพูดนี้ไม่ได้พูดแล้วให้ใ ห, ให้มันมันจะไม่ได้คําตอบหรอกคุณต้องไปพิสูจน์เอาว่าสิ่งที่เราพูดนี้ถูกหรือไม่ถูกอ ควรจะไม่ควรควรจะทำอย่างไรแล้วไม่ควรทำอย่างไรคำถามจากคุณกริอยากทราบถ้าขายของขายของเป็นเช่นหอยลายหอยแมงคู่ที่ยังไม่ตายเราจะบาปไหมครับเราไม่ได้ฆ่าเองมันไม่บาปแต่มันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทาเพราะว่ามันไปทาส่งเสริมให้คนอื่นฆ่า เราขายหอยขายเป็ดขายไกย่ขายปลาแล้วเขาก็เอาไปฆ่าไม่ควรจะขายของที่มีอาชีพมีชีวิตให้คิดว่าถ้าเกิดเข้ามาขายเราบ้างจะเป็นยังไงถ้าเราเป็นสินค้าที่ให้เข้ามันสมัยก่อนก็ขายทาสกันอย่างเงี้ยใครอยากจะซื้อเราไปเป็นคนใช้เขาก็เอาไปใครอยากจะซื้อเราไปเป็นภรรยาเขาก็ขายให้เราไม่มีสิทธิ์ในตัวของเราเลยใช่ไหม มันก็เป็นการไปริดลอสิทธิของผู้อื่นเขาริดลอชีวิตของผู้อื่นเขาถึงแม้เราไม่ได้ทำเองเราก็เป็นคนส่งเสริมคำถามจากคุณทีพีเนื่องจากในหลายๆที่มีการสอนปฏิบัติหลายเทคนิคโดยปัจจุบันโยมปฏิบัติแนวทางหนึ่งที่สอนโดยอาจารย์โกเอ็นก้าเจ้าัา เทคนิคการสังเกตมีความแตกต่างจากพุทธโทเล็กน้อยโยมอยากทราบว่าแนวทางนี้และแนวทางอื่นๆจะสามารถนำไปสู่เส้นทางแห่งความเข้าใจในอริยสัจได้เหมือนกันไหมได้เหมือนกันหรือไม่เจ้าคะก็องพิสูจน์ดูเท่านั้นแหละพิสูจน์ือว่าทำไปแล้วจะได้ผลไหมคำถามจากคุณพนตา กาแฟไม่ใส่นมหรือทีมถือเป็นน้ำปานะหรือเปล่าเจ้าคะก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามดื่มได้ถ้าไม่มีนมเท่ากาแฟนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สงเคราะห์ อ, อยู่ในพวกสมุนไพรยากาแฟมันก็ทําเป็นก็มามันก็ทํามาจากพืชใช่ไหมมันก็เป็นเหมือนสมุนไพรชนิดหนึ่งแต่ว่าสมุนไพรแบบที่ไม่ได้รักษาโรคภัยใกล้เจ็บแค่นี้แต่ทาง วินัยของพระก็ไม่ได้ห้ามห้ามแต่ของที่เป็นส่วนของอาหารที่เป็นอาหารเสริมเป็นน ม, เ ป, นนมเป็นแบรนด์ซุปไก่เป็นอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมรับประทานไม่ได้รับประทานเป็นน้ำปะนะเป็นไม่ได้เพราะน้ำปะนะนี่หมายถึงน้ำผลไม้คั้นแล้วก็กรองไม่ให้มีกากไม่มีเนื้อติดอยู่ จำจะคุณนุชนาฏหนึ่งในบารมีสิทธประการเนคข่ำเนขำมะบารมีจำเป็นต้องบวชไหมคะหรืออย่างไรก็ถือสินแปดไงถือสินแปก็เรียกได้เนคข่ำมะเนคข่ำมะก็คือไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ดูหนังฟังเพลงไม่ให้ไปแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำคิ้วทำผมอะไรต่างๆเหล่านี้ เอาเวลามานั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันหมดแล้วเลยเอาสักสองสามคำถามก็พอนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวต้องมีเวลาให้กับพระกขาแคำถามจากคุณเพนจันขนมคุกกี้ที่ผสมผลไม้แล้วเนื้อผลไม้นั้นต้องแช่เหล้าลำเป็นขั้นตอนของการทำจะผิดสิ่งไหมคะมันก็ถ้ารู้ว่ามันมีก็อย่าไปกินมันก็แล้วกันถ้ามัน ถ้ารู้ว่ามันมีส่วนผสมของสุราอยู่ก็อย่าไปแตะมันก็นแล้วกันคำถามสุดท้ายจากคำถามคุณมั่นใจหลวงพ่อครับผมตาหูไวชอบตาหนิติเตียนผู้อื่นพอใจผมตาหนิผู้อื่นผมก็มักจะด่าตัวเองว่าไม่ดีแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับพอผมด่าตัวเองแล้วรู้สึกถูกครับ ก็อย่าไปด่าเพียงแต่บอกว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเรื่องของเขาเขาดีเขาชั่วเขาก็จงรับผลของความดีความชั่วของเขาเนั่นแหละการวิพากษ์วิจารณ์ของเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสอนเราก็ได้สอนว่าแบบนี้ไม่ดีนะเราอย่าไปทําตามเขานะอแบบนี้ดีเราควรจะทําตามนะวิพากษ์วิจารณ์แบบสร้างสรรค์ก็ได้วิพากษ์วิจารณ์แบบเออ แบบไม่สร้างสรรก็ได้เห็นหัดวิาพากษวิจารแบบสร้างสรรก็คือเขาดีเขาชั่วมันเรื่องของเขาแต่เราจะดูเขาเป็นตัวอย่างถ้าเขาดีเราก็เราก็ควรที่จะเอาตัวอย่างที่ดีมาใช้กับเราถ้าเขาไม่ดีเราก็อย่าเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาใช้กับเราแล้วเราก็จะมีแต่ความดีแล้วเราก็จะมีแต่ผลดีตามมามีท่านนี้แหละนะวันนี้ เ, อ เ, อ เ, อเอขอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีพระท่านมาหาแล้วเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วก็เอาขอให้ยุติไว้เพียงท่านนี้ก่อนขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิพิจณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่